จะให้มันจนราจจะได้ใช้ทรัพย์ภายในจะมั่งมีจะไม่จนถ้าจนทรัพย์ภายในก็ไปสั่วบายยูมเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสนนโลกเป็นเนริชานเป็นปูมันต่ำเราจะต้องไม่ประมาทจะต้องมาสร้างกันให้มันมีให้มันมากให้ ม, ใหมีให้มาก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 เอามาผลิตนะขยันจักหน่อยถ้าไม่ขยันมันก็อยู่อย่างนั้นนะ่ะกายมันก็อย่างนั้นมันจะเท่าจะแก่เสียเวลาเสียประโยชน์ไม่ได้ใช่ของที่ใช่ไม่ได้ใช่งั้นเรามีรถซชื่อมาแล้วไม่ได้ใช่เรามีไฟฉายเอามาแล้วไม่ได้ใช้มันก็ไม่มีประโยชน์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 นกว่ามันจะชำนานเมื่อมันชำนานมันก็เป็นไปเองหรอกเป็นอัตโนมัติเหมือนเราฝึกหัดศิลปะอาชีพต่างๆจากจอบจากศารพ อ, อจับไม้ไผ่พอมีต่อกกบะสารอะไรก็บไปขมันเองเพราะมันทำแต่ถ้ามันเป็นสูตรเฉยๆมันก็ไม่ใช่ สูตรสารไล่ไลค่คบว่ายังไงอะพอทะยบมันย่อสองหายย่อสี่มันย่อสี่ยย่อสองขวบสามทุกที่เน่ยแม่นปะเป็นสูตรตีแม่นป่เฮ็ดเป็นปะเฮ็ดเป็นปะพอทะยบ <c oughs> พอทะยบนั่งรอเป็นคู่แล้เฮ็ดวัตเป็นอ่น <c oughs> นะฮพอทะยบอันเดียวพอทยบคู่เฮ็ดวัเป็นแต่ถ้าว่าเรื่องวิชาการนั่งราเฮ็ดได้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 ณที่นี่เปรียบเสือเหมือนตันหาอาวิชาในเป็นป่าอาวิชาความไม่รู้พาลงไหลแม้เสืองามตันหาผ่ำนักไหนต่อเมื่อใดข่าเสือได้สบายเอ่ยขอเขียนไว้จําเข้ามาพูดนะมันไม่ป่าคือความไม่รู้มันมีตัวรู้กับตัวลหลงชีวิตเ่า มีตัวลูกกับตัวหลงอ๋อมันไม่มากรอกมันแคบแคบแค่นี้อยู่ในกํา ม, มือเรากำ ม, มือเดียวอะไรอย่างนั้นเอาไปอามามีตัวลูกตัวหลงโอ้มันอยู่ในกํำ ม, มือจริงๆตัวลูกสร้างได้ไหมสร้างได้สร้างายั ง, ยงไงตามรอยรรออก็ะุเจ้าพะพุทธเจ้าอะไเอโกมะโควิสุทธยาสติเอโกคือหนึ่ง เอกหนึ่งทุกสองติกสามจัตุก ส, กกสี่พันจกักห้าศั ก, กระหกศัตกาเจ็ดอัฐกาแปะนวกาเก้าทศกาสิบเอกหมายเลขหนึ่งเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งทางที่จะไปสู่มักสู่ผลเนยเลขหนึ่งคือสติอ๋เลยอ๋อเป็นทางก็ฟรีเว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 นีกน่ก็มีพระสงฆ์วางโลกมีพระอรหันต์วางโลกสมัยคั้งปุริจาเห็นท่อนรง้อยมาในาน้ำท่อนชงบางท่อนติดฝังท่องทุนบางท่องท่อนชงบางท่อนล่องอยู่ในกลางก็มาปเปรียบอุปมาประมาเหมือนกับชีวิตของตัวเองที่ปฏิบัติโอ๋อิจิตของเราเนี่ยมันติดฝังใส้ติดฝังขวา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 สร้างความรู้สึกตัวมาสร้างความรู้สึกตัวนอามาประ ก, กอบเอามาทำเอารู้สึกตัวมารู้สึกตัวเนี่ยเพทํำให้มันเป็นความรู้ว่ามันได้เป็นคู่กับกายความรู้สึกตั ว, ว่มันเป็นคู่กับกจิตใจแล้วก็เกิดความเป็นธรรมทั้งติ้นเป็นสมาธิเป็นปัญญา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 อย่าไปอย่าไปน้อยนะาต่จใจปฏิบัติไฟผิดพลาบ้างเออนี่ดีดีอยไกจะรวยสักหน่อยจยได้เจ๋งได้กล้าบางก็เป็นยางนั้นจริงบางคนมีปัญหามากๆจะเกิดเป็นปรญญามากๆเหมือนกันบางคนไม่มีปัญหาก็ประมาณต่อไม่มีปัญญาได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นพยานถอพยามพายพายเป็นเรือสติเป็นหางเสือปัญญาเป็นไม้พายทั้งมีปัญญาคู่กันไปด้วยรู้จับปรับไลยเป็นดีปรับแผนใหม่ปรับแผนใหม่ตั้งต้นใหม่นั่งนานเกินไปสร้างชวะนานเกินไหมปรับใหม่หายใจอยู่นานเกินไปปรับใหม่นั่งนานเกินไหมปรับใหม่ลุกขึ้นเดินเดินนานเกินไปปรับใหม่